Fifty languages. สิบส d o z เครื่องดื่ม Las bagudas. ดิฉันดื่มชาค่ะ Yo, begte. ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ Yo. ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะยบคมรัลคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ มมีงานเลี้ยงที่นี่ a gel. una f e s, <S t a aquí คนกำลังดื่มแชมเปญ La g e n t b e c h a m p n คนกำลังดื่มไวน์และเบีย La gente bebe c e r v e a คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ q u บ b e อส alcohol คุณดื่มวิสกี้ไหมคะกับเบอ whisky คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะกับเบส์ coca cola rum ดิฉันไม่ชอบแชมเปญ no ag me agrada e l c h a m p a n e ดิฉันไม่ชอบไวน์ no me agrada e l v i ดิฉันไม่ชอบเบียโ n o m กราด้าลาซาร์เบซเด็กอ่อนชอบดื่มนมอ l n a d โ l เ agrada la l ยเเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิลลเนนอัลล่านเ a นา a ลียกราด้าอัลคาคาอุ o อัผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต A les dones els agrada el suc de taronja i el suc d'aranja.